ชุกังชุ่มใหญ่เพื่กเวงออกพูดหลดเฮ็ดยังปานพาเทลาอะไรเพื่อสร้างขีกขีเพื่อสร้างเงี้ยกเงี้ยวะสันเงี้วคนเฮ็ดน้ำคนกัมีเงี้ยพวกคนกัมีได้ฐานะของตววะสันหลวงปู่มหากูว่าอาจารย์เต็มที่ต่างเบ่งโตดออกจากเห็ดนี่มันว่าเขาลบสงฆ์สันเห็นหลวงปู่มันเฮ็ดเพื่กระติเฮ็ดน้าคือกันหมดมันโมเมีนเอ้ยวะสันเออเพื่อนหน่อเนีทยมันมุ่ยนแซงดิ น้อปูมหาว่าออกยากสิสิ่งนี้บนแซงเดี๋ยวทิธีมาละลายสิแซงเลยวบนแซงอยากกิอยากสิ่งนี้บนแซงคนปัญญ่นาโหลจังสันปฏิบัติจังสันโหลดที่บน่มันเดชมาเอามาว่ามูตูป่ปฏิบัติแบบนึงมือตนสันเดชคุพเอมปฏิบัติจังไรเอาว่า อ, องมางสันันนี่ด๋ย ภาษีมูลินเปอร์เซนตัว้าวโตคนอกคนฟังประเทศโตอีกว้ยวคนน้อยก็ถือถุดดงขึ้นกันเพราะงี้คู้จั์มาหาว่าคนน้อยใส่มุกใส่ห้อใส่มุกมูมัดเต้่าสั่นข้าละมือกคนน้อยได้กินไต้ขอยไดดอกวาอุย้ยไั้สัน่นเกามาวอาเพื่ฟังแล้วให้ เท่ผมอดอยู princes, ่ต่งเครื่องเดือนผมก็อด่ยกิน่ษเพดว่าบ้วแหมนัวเพิ่นอีกแล้วนี่ยสู้เพิ่นไรเนี่้สัตว่ว่าตัวเกงบอกว่าัเพิ่นอดอยู่ตงเครื่องเดือนหมูฮานเทีเพิ่นบกินภาาสัอันนี้มีเขาอยู่เนีย่ตายจังไหนภาษยังเด็ดไปโวแมนมันมันแมนความเพิ่นี่หันนอสัตัที่มาอวดเพิ่นภาษา่หมันเปนอวดแต่ว่าาซื้อของสวยาหน้าห้องเบาขันไ่เบาตัวเพิ่นบคิดแว่าหลัเพิ่นบอกว่าไอ อ๋อแต่พวกซื้อหองตว่็เันแต่ว่าห้องของเราไปเด็ดกว่านั่่ไอย่างไง่นห้องก็บประเทศที่สัตว์ี่นี่เปิดวางเสีวางเลยเนี่นก็เพืนที่กันยูมายูมานี่หมือนแก้วขม่าในวัดวัดบังฟื้นแก้วขม่าตัวหนึ่งนุ่งสงขากรบหอหำอเนาะอเนาเอเนามาตาบอดลูก ูลูกจูงมากข้าวทงข้ามอินโดจีนะเมียไปตลาดถึงลูกระเบิดตายหรือมาหาขอ า, ากินนะครับมาหาขวากินแล้วแล้วปูมาหามันมกรกสิบตัวทันเห็นบธรรมเทศนานลูกห น, หน่อยจูงมากลูกในอุลู ก, อ, ล ก, ลกอาอยุจ๊ 6กปีเอนอะพาขาพ่มี่มี่ส่งพื้นดยวจูงเขามาในวัดมาขอกินเขินห้ายังทองเที่ยวในวัดตาทงสารอยู่เข้าก็ต้องเป็ีนนิสัยแต่สาบหนึ่งหเ้าก็บมูเข้าก็เคยเป็นมาแล้วก่อนั่นชงมือนี่อะกรแลผมมาั้งเวลาจจะกพาส่วนตัวของผมมันไม่อยู่สองพื้นด้นอย่างนี้ก่าอาบน้ำผมใหม่ๆย่า ยังพอนิยมผมจะเอาไปหาใไห้ท่านี่ท่านเชี่ห่ร้จิหผมจะไปหเยอน่หคนละย่างก้นนี่คูประจายใครคนนั่ก็หายท่านก็หายทุกท่านเนี่ยเอาไปายใจถึงแท้เลลงปูุอาหารลงองง่านี่นี่ขึ้นข้าวตัดถ่ามือสิ ตัดให้เจ้าของว่าข้ในก็บบได้ว่าละ่ะเจ้าของเสียเอาขึ้นไหนก็บ่ัวแต่าบัวแต่ไมล่ะพ่นอยู่ในกล่องตัดดิยุบซูดันน้ำผึ้ง อ, อาจารย์วันอยู่ในกล่องยิบโตอยู่ในกล่องงอกแกมมีกล่องอกกล่องพริ ก, ม, ก, ก, ก, รกมันเป็นกล่องไปกล่องด้ว่นะอยู่กล่องสับะโตพอเห็นยังบ่เป็นดิ เป็นหัวนามม่ในกล่องย่องหัวนาท่านอารุณพระนิจจามหาเป็นหัวนาใ น, ในกล่องตักบเป็นหัวนาในกล่องยิบแต่ว่าพ้นยังยิบจักว่าพันเป็นดับสบายอันโยนอาจารย์ว่านิบเป็นนิบเป็น่นจากอนแหละทั้งยิบมือสูเพ้นเมื่อใพระในวันสูเพ้นเมื่อใดจักคนนยิบมือเที่ยงกันพ้นละกับหลวงปูฝ่ฝันยิบมือ ตัดให้มือมืดเจ้ของจะที่เอาอันใดบ่ได้หมายมือตัดเแียลเราบอกพาำมาหาเรลๆขาน่อยพาเขาย่างเบาย่างยีเด้ขหน่อยเอามืออื่นตัดให้ผู้อันเด้อมืออื้นตัดให้พูดอันอตัดเรียก็บอกพนคนทางนี่แห ครทิทายพูด้คทิายพูดได้มาที่ของหลวปูหมันบอกหลวงปู่ ม, มหาคอยเหตุนำเมื่อมีแล้วสีกระทบกระเทือนหลวงปู่ห ม, มันจะเทือเป็นอย่างย่างที่ชุดหลวงปู่ ม, มหานี่การปฏิบัตินะถ้าโต ว, ว่าให้เพิ่มนม้ำ โอ้ยคู่พะจารย์ตัหามขยา่าลพวกขน่อยมันหลายคนอยู่วะเช่นเพิ่นกับวัตถิมเพิ่นก็ไปไปน้าก็ยืนเบิงอยู่ก็ยืนเบิองอยู่วันสามคนละผู้ด ใ, ต ใ, ด, ใดตั้งใจผู้ใดผบ้ตั้งใจซําไนขอวัดขอว่าเห่าทูหลังอาบน้าก็าดีปูที่รับที่นอนก็ดีท่านามหายาติขยาดอกมาสันพนวันขอวัดชาวประปรี้องเห่วมาสัน ขันโตมาเห็ดโตขันสาแกมาเห็ดแล้วนี่ยพูน่อยมันว่มีขอวัดตมันเกิดมันเขินมาสั่นมันอยากไอ้มูมาสั่นตัวยูตามสบายนาะสนถึงอย่างนั้นเพื่นกระบาถิ่มเลยยอะเนี่ยอยูน้ำเพ่นถ้ามาให้การให้งานเนี่ยผิดยูน้ำคู่บ้าอาจารย์มันต่อมีพูดหนึ่งแม้แต่ม่อวัมันว่าอะไรฮเพ่นอยากใส่ไผเพื่อนใส่ได้ตีมาสั่นฝาเพ่นถิ่มยังไงมาสั่นไป ต้องแตงผูนันไปยูน้าเพลนไม่ใช่สำหรับไปเอาตากับโมจะไปเมวามันว่าแตงผู้อะไู้นั่ยูน้ำเพนสะ ก, ก่อนห้าเพนจะใส่ไฟกันให้ใส่ได้ไหม่นวัววันตัวเฮ็ดเียกรอมาเฮ็ดมดมันก็บอไรไม่่ว่ามีนม่ะสิกระทบกระเทือนพ่อแม่ผู้ยจะเถาจะเตียคาว่านาั่งน้ากันใกล้ๆยังสิงหันหน้าจะพอมอหล้ดียวเมื่อไรมีแด็ดสิ ป, ป้นขางป้นหลังใส่จะเถอ ขันพ้นเราหลวงปู่มันเราสิาทั้งโลกทั้งสงสารสิหลวงปู่ ม, มหาบนเ็ดไปเลี้ยยปากฟังโดยเขารบสตตัวไ่ได้ถือว่าหลวงปู่ ม, มันเราเล่นี่ถือว่าหลวงปู่ ม, มันเามีสติอยู่ขวานเตือนมูยเสมอเสมอเสมอเสมอพ้นเข้าลบที่สุดหลวงปู่เทิดจนละอาท่านมหานี่ เขาล้มปู้มันยิ่งเทอได้วพราะฉะนลปู้มันว่าจางังงดนกระับฟังรับที่ชนามันสี่วอกทั้งโลกทั้งสองสารกระตามมฮั่นสิบไปสวนมหฮั่นสิบไปสอดมุฮั่นสิบปดแขนแรกท่านมหาเอกผ้ามูประเทศ อ, อนนันซา สิเฮ็ดกว้างป้าน้อนยที่ให้แคบป้าน้อยนอ้อเ้าหน่อยส่วนตัวบ่ควงบ่ไาากลเยอะเกลื่อนเพราะว่าที่ไปเที่ยวสึงตล่าสมมติการเมื้องงานพ่อแม่ผูดการแล้วเ้าหน่อยสิลาไปเที่ยว สิเป็นหนึ่งไหนน้อกจตวตัวบมันว่าขนน้อยสิไปเที่ยวสิมาเขาลาบมันวายจาังใส่ให้ควมเห็นไหวสเมสเมอสเมอสเมอสเสมอเสมอเสมอคน้อสิน่าไปเที่ยวบัวม่นเป็นหนึ่งช่าเป็นเสื่องปรึกษาทกอนอกับผู้ใหญ่บัมันตัดสินแล้วจังไปคาว่าผักผ้าว่าน้าวะส่นนน้อยเลย้าวน้าไปยังั่นนั่นสิมันจะถือว่าสิผิดเนาพ่อแม่ผู้จันีสัตตัว คือเป็นตัวิสันิัยนิันก็เป็นเรื่องไหนพอนอยให้ตัวไปถามเพิ่นยีัรับรังเลฉันมาบอกว่าสันพงษ์ยาคุยจังยังคยจังนะาเนี่ยบอกกับผู้ใหญ่มันก็ต้องให้ความอ่อนน้อก็เพิ่นข้าว่าให้วามอ่อนอ่อนก็เพิ่นกับถกว่าไปอวดเอาเอาเอาความหูตัวไปอวดเพิ่นนะคั มันก็ต้องเป็นเสื่องปรึกษาบากเขาใูไงโมฮันไปตัดศีลโหลดวะสอันนู้นี่เาบอกตู้อินวัตตู้อินมันเอาไปใส่กับพลนาราบผิดจักขว่มวมมัสนก็ใส่กับหลวง ป, ปู่มหาได้ผลบัดรมาสิพวกซขอเขาบอามันจดเอาจดเอาจดเอ า, เอามันตอกจดไม้มหาเฮามันไปยูน้พิน ว่าฟักขันว่ายอมพ่าบอมันจางก้นจางสียอมเ ด, ตมด้ต้องไปขอโอกาสเพื่อนก้อนเข้าขอโอกาสมันกับเพื่อนแปลว่าห้เกียจเพื่อนเดีว่าไฉ่ห้ามือนีห้าเพื่อนจากใเข้าไปเฮ็ดยังนงี้เข้าไปเฮ็ดงานก่อนซะเ อ, เอาตามเพื่อใจเข้ามาใส่มันกับว่าถืกกาอกูใส่เพื่อนวราองฉัน เานอยสิผ้ามูอซักผ่าสิเป็นยังไหเนาะพ่อแม่ผู้จาดถึางผมถึงออมีงานยังไนเนี่ย่อันเออผมมีงานนี้น้องผพากันพอออกมาซักฮนะจะไม่เห็ดเ้ยฮันเอาได้ได้บ้านนี่ฮันมัดยามปงโมแกมนี้ฮะนี่ผู้ซักกล้าหลัง ใครก็รอยมาสักก็ร้อยมาสั ก, ก, ะสกละหมอหมอแค่ น, นี้ เ, เรื่องเหงยึดิมให้ผู้ล่าหลังทัว์เดียวแค่นี้เอาอะไได้บานนี่ขับเท่วโลกคุณเอาอได้บานนี่ไม่มาเก็บซอยกันสมมติว่านี่น้อยเป็นผู้ซักที่หลังอันไหนทีมใครเขาเมื่พระบมาเห็บซอยกเกาอีกอะได้บานนี้ห้องขับวัดอยู่นะหลวงผูหลวงู้หม่ นกูมาหาคือกันนกปรเทศติดค่ า, ายวอมไอ้โมนีเรื่องโมนี่เป็นของสำคัญคนทั้งมืเมืดนควมไปว่าเอามาไข่เอาม้าวอกไข่เอามา ว, าวาอกาสาู้กันฟัง่งแล้วเรื่องขาวัดโมนี่ก็เลยสีลบเรือนไปวัดเลยเสียไปวัดนี่นอนาคต คบางจะสั้นเห็ดกดเจ้าของก็าจจะขอโอกาสพนักงาก่อนควรเห็ดหมหรือบวควรเห็ดมันมีอยู่มันบวชทะเยอทะยานสิเพิ่งก็ะ้ายน์คนบ่อยเห็ดคนบ่อยว่าที Head ่เฮ็ดกดคนบ่อยว่า Head om, สีเห็ดพมส่ต่องไปขอโอกาสพนักงานแน่ยังไงลปูหมันแต่เพิ่นเห็นว่ามีอยู่แล้วมันทะเยอทยานอยากได้สวยได้งามมันซ้อยโด่ด รุ่มตัวเพราะ่านอายุก็เพิ่นเป็นรัก เรน ย, ยกเใช้เกล็ดใกระมอมในไรย่าเ้ยเป็นลักส้กวกับลปูหมันลอปูมหาลปูฝันกับอไรจำภาษาคนจะนเทียเป็น เ, เพียงเอคนเมายามลบปูหมันมเทียแก๊กขึ้นแปรขึ้นมีเทียสามขึ้นชืขึ้นขุเชียงซ้ำนันล ป, ปูออนคือกัน ล้มผู้เทศได้จำพรษานภ่ษาหนึนน่งลงไปผู้เก็บนั่นสองภาษาหนึ่งจำนั่นคนในจา์เลี้ยงอได้แยกกัน ยี่ันหอยท้ายคัดเช็งขึ้นอย่างนี้มุชเชนมั็นของง่ า, งายๆหรือปู ม, มหากา็ได้เช่นึงกแบบับท่านเพียงสิบอพโอกาสเพื่อประเทศห่านเน้ยป้านี่พ่อสันโดดว่าสันโดดและสั่นมันมีเวกด้วยแล้วห้ากับวามีการในงานห้ากับอุกน้ำมูนี่เชน จะไปเฮ็ดเฮ็ดยังมาสั่นเพื่นมาเลยมันก็วิ่งด้วยแล้วว่าสั่นผมฟังก็เพื่อนไปหอ ด, ด้วยกันจีของคู่บ่ายการสุดนั่นน้องนีการเว่งาน วบา่อในแห้งกินกระต้มข้าวนมยังช่มือนี่คำว่าง่ากระถินว้่านครบ้คอยู่วันไหนก็รับวันหันลก็แล้วไปเบื่อในโหกันคือหมอนรูมคือยังเข้าอีกงานทอดผ่าปลาคือกันใครอยู่วันไหนกก็แล้วไปชมือนี่หลวงปู่มหาอนร่มไปทอดผาปลามาหันวันนี้หนูร่มูมได้เพิ่นกระูว่าเพิ่นอนุร่มอยู่โอ้อ่ำโอ้อยู่ คนเห็นเพิ่นไปเหรนเงินมันพันหลายหลายไสำ น, นักล่างนเอาเพ่นไปแต่หนอกเพื่นกับงจ้าวิญญาณข้อไปกินเพื่นกบไปทุกไปทุกโอโนโอโน่อนอยู่ขึ้เกาหนันละนั่นจะไปเมน่อไหกระไร าวิวตะกียบว่ามนกรรมฐานมอระมูจังสมือนีตะกียบผ่านโบไลานี้นแะพระกรรมฐานาวว่าบไลก็ถึงพันอยู่ได้หระพพ่อแม่ผู้ยนเาะเขาเลเขาวิธีไหนกัเล่นเงินเถาะ เรื่องภาวน้าแต่กลยที่เอาคนน้ามาแล้วคู่มือกนี่ไปเที่ยวกระไปเทียเทยเท่ยน้ำสำนักกันละวเที่ยน้ปาปลาน้ำเขามันลำบากอยู่เพราะมันมนมีบอลเพราะปันญ์แต่เพราะสำนักแปหาเนี่ยเพราะไปได้ยุบก่เน่ย อันผู้พ่อกับพ่อไปได้อยู่ล้ำองแอมมุ้งนี่พ่อพ่อมีรถไปอยู่ภูมิท่องเที่ยวอันผู้เดียวอั น, นผู้พักูดมุ้งกับพ่อไปอยู่แต่ว่าการไปเที่ยวล้างออกขันชาแล้วหลวงปู่ ม, มนันท่นนี่กะตี่กา ยึดอันนี้ส่งกะทินพนจังห์หายไปเที่ยวยึดเดือนชิบสองเพลงสักการยึดยึดการทอดกะทิฉันจังหหายไปเที่ยวยฉนนววนยันดินกับซีนแเ้งเฉันพลวังอยู่โบมักไข่มักหนาวนี่ให้ทาอให้ยินจะได้่าเั้นยึดฤดูฝนมาเส้นตอนกอสีตอนกีได้คนหลัลากป็นช่วงหนึ่ง ทำเนี่งคนไปนังสั่งหมือ้จเนี MM ่ยมันน่ว่าใครอยากรักษาดอกหลาสมนว่าถนอองกฤก็บบรเวไม่เาีมีแล้วไฟแอนั้นเหม็ดวัดกับโบมีกระทน นี่จะของหลวงปูมันมัวเดียวอ่อนก็ทนเึ่ามันก็บางมันใช้บ้านเบิดแกกาหาระไรจังเลต้องเดี๋ยว่องท่านจงโกมันแปลงใช้ ไ, ได้หรอพระว่ากันจับลุมกันยุบอนไร น, น่ะมีแต่ว่าเรื่องพาวนาเนี่ยประเด้๋ยเรื่องอื่นเลยเออจับคุมกันวรอ มหวพอมาหน้าไปก็เป็นนิสันิสันมันเป็นนิสันที่ก็ทิกระแนบกันนันถ่ายตับกุงกันก็บม่ได้ออกแหอ่งหรอกเมื่อได้วอกไปทั้งโลกทั้งสงสารนี่ยังนี่เพื่อได้ว่าพื้นสิคอยู่ในวัดท่านบ่ได้สไล่นี้สดลบมุูมันขัดบ่ว่านเพื่ออัน ซึ้งในวัาหลวงปู่หมันว่ามีจะค้นนี่ยุคบ้านนองผือยุคเข้าอยู่น้ำ4ี่ปีน่ะปีหาไม่ได้จำภาษาเพราะเพิ่นชาก็ได้คิดแล้วก็ไปเพิ่นแจนว่านว่าหาปีนเพิ่นนับเท้งปีอยุเครื free, like ่องปีนึงเข้าบ่านนับป no. ีน <food> ่ะป <essa> ีหาไม่ได้จำภาษาเพิ่นีนับพยัญมีแต่ยมแหลมเพินแจนว่านแต่หอดกเข้าเพิ่นแต่อดยหนาวเข้าไปหอดยำหอด เาประเดือนหาเข้าไปหอด พ, พนพนิจันว่นไปหอดพนน่าเหรียญสามเน่าเหรียญที่เออนี่เน่าเหรียีไหมเหรียญงีพนิันไปหอดหลวงปู่ปีเดียวกันฮะละพนพนับว่าหาปีเข้ามานับแล้วผมว่ า, า, นาพนิจันพัชรานพนอีกนับ้ังไง กรีีออกจากสานักรลวงปูมันพร้อมกันเขาทราบพระคิดเพื่อนแร้วอก็ณีทราบพระนัคิดเพื่อนมันเกิดแล้วเดือนสมเดือนหายเจ้าในยกทับนี้เพราท่านเค่ ง, ง, งชิงสงของท่านล่ออันน่รออันนี้คนชุดเกา่ายังมดแล้วเดี๋ยวนี้ พลเอกจัร์รจวนท่านในปะยูน้ำหลวงปูปีนึ่งสังนธชิร่าไปี่เกะิ์อพันธ์ 89, นปีนึงน้งันธิ ร, า 89, รกาพลเอกันรซอปปีนึงังันธิรปที่กามันธากอะไรไปเหนื่อยเินวนาหลวงปูมันตายแล้วห้อจะงค่อยไปเชียงใหม่นอกวะฉัน โอกับนีน่พ่อแม่ห้าไหา้ขันพายา้องสัน่นข้ามาศาสตร์การพศจะขอประตายซ้ำหลวอปู่มันยังมาอีกสองสาปีผืนเมื่อเป็นตะว่เด้อันนี่มีพูเอายกค้นว่าเพิ่งตายเลยก็ไปเชองมาเยอนี่ท่านพันธบอก ว, ว่าเป็นตะว่พ่อแม่ห้าวคือการเอาเพิ่งสอน เมื่อนีดำหให้หนี่มืออืดดำให้น่าหน่อสันยะจุไปว่าลูกเออยว่าสันขัดยูดีไม่แห้งหอกต้อนไว้ยังสั่นนะสันในเรื่งมัตายว่าันงมันมีแนวคัดของสันขัดยูดีไม่แห้งเาเห็ดอันนั้นเนาะหต้อนไว้เสมอว่าันเนมาจะว่ามืออืนเห็ดอันนั้นมือคืเ้เห็ดอันนี้ว่าันยูดีไม่แห้งมืออืดเห็ดอันนั่นเนาะหรือมือคือเห็ดอันนี้เนาะหาต้อนควอยูดีมีแห้งเ้าว่าเน่อต้อนไว้ักก้อนเสมอเสมอคออกส พ่อตอย่นพ <i> ้น้งฉันตัปเาบโหลดเนียพนก็ว่าพนพอวนหน้าดีก็เราก็เดียวพ้นมาออฉันโอันเออันยูดีไม่แห้งันเท้าป่าตายก่อนพันก็พันตายก่อนเท้าคนเดีหรือเทาตายก่อนพันไปแล้วก็แล้วไปเ้าจังปอดไปเชื่อใหม่ก็เราบอกองฉัก็พอฟังเองฉันพนตายแล้วเาจไปเชื่อใหม่นองฉันว้แดกหัวใจเหา ยม่ากจะขอจะตายสั่มพระองค์หนึ่งเป็นพระนักเรียนเป็นพระไท่เป็นพระนิ่งวัดบ้านสมัยรัชกาลที่6ที่ ท, ที่หาพละนลวามาเป็นนิทมใครจะตายหนอนึกอยากรัด ช, ช่องกระแทก อยู่ว่าพระพันดวงพอจะของเราตายีเขาเราซองพอจะของเราใช่ไอันนี้เข้าก็เห็นอันนี้บ่เป็นแต่ว่าของอันนี้เข้าเห็นกับตาง่าในยุคนี้เขาก็เห็นอยู่นี่แม้บอตกีนั่นแม้บทเที่ยขึ้นมาพูดอยู่จ้อยน่น ผัวแม่บดสิตายปีเั้ปีนี้มีม่เยอะแทบไม่แทะจะคลองตายก่อนแม่บดไปมีอยู่มีหลายคนอยู่แม่บดตายที่หลังคือยาเขี้ยวมือเนี่ยพูดได้ก็ว่าเล่าสิตายถ้าไม่แทะตายไปก้อนเราหลายคนพราคุณอินมือนี่ยมันเป็นเต่าของมือนี่ยเขาชื่อได้อยู่ห้า อ, อายุสิบปี พอเข้าไปเสาลักหัวถักตีนซอดมันไปคลองเคลือดแ ท, ง, ท, ง, ทงเหมันซักลงแล้มน้ำไม่ติวแลวลหลมหน้าฝนเมือนึงเป็นผู้บ่าวอยู่เขาเอิื่อจาบักหลันหัวแลบักแหลหัวหลันอ่ะโอพอเขาอีกแกวอีเ ก, กนที่อีแวนมาสั่นสับตีนไม่สับตีนนะสั่น มัดตายนี่เข้าไปงั้นเท่านดีเนาะสันเท่านมันกลวงมาสันสีสนุก่าสันเท่านี้มันคือกว่วงมาสันถ้ามาทราบว่าท่าพอเดือนพอจะของตายแล้วยงั้นเท่านดีจะของพอจะของพอตัวหรื ว, หรว่าตายป่วยอยู่เดือนหนึ่งพอตัวน่นว่เป็นตวาวของเหมือน อ้เพ <Hani> bon ื่อนตายตัวตายใหญ่เพ <ministry> ื่อนชิบหายตัวชิบหายเพื่นวันมันแม่นิสันอ่ะเห็นคนตายขันบ่อนอบมาใส่จักรของเลี๋ยวอ๋อโบเห็นคนตายเห็นคนแก่ขันบ่อนอบมาใส่จักรของเดี๋ยวอ๋อโบเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บขันบ่อนอบมาใส่จักรของเลี๋ยวอ๋อโเห็นคนเจ็บเห็นคนวิญวกพัดผ้าขันบ่อนอบมาใส่จักรของเดี๋วอ๋อโบเห็นคนวิญวกพัดผ้าจักรของกันท่องเที่ยวในวัดจ้าสงสารก็ต้องสิ่เป็นยุ้งเสียหลนอ่อขันเห็นเล็กหน่อย ม่นอ่อมมาใส่เจ้าของไปกลุ่มสั่งได้เล็กน้อยก่อพันธุบ่ได้ท่านี่ยิ่งมาบรจังยางสาเนี่ยเห็นผู้เทาบ้านอ่อมมานใส่โตเขาเรียกว่าเขเห็นผู้เทาตัวก็ต้องเทายังซี่เห็นตองนอนม่านสั่นในทำในวีันเพื่อนสอนยังสั่ง เห็นคนทำ ผ, ผิดก็บรรทิปไปย่อไปัน้นแต่เมืกูทำผิดก็ชี้แงซีแล้วนาะคอยเคลื้อนช่างสัน้นขนเห็นคนทำถึกแต่เม่อกูทำถึกเพิ่นกฐิย่องน้งสันน่นแล้วนาะก็ต้องพี่ยนหาสัอันนี้มุ้นี่ข้าสอนของหลวงปู่มหาท้งนั้นและในพระถ้ำกับมียจังสั่นอีดีในพระในพระสูตรตัตตพิรกกับมียุงสั่นอีดี เห็นเพื่อนทำดีได้ดีแต่มว่ใาหายขี้หึงใครเมื่อกูทำดียังสีกูกระไี้ดดีจังเพื่อนอะไรนาะหายนึกยกงสัง่นเดี๋ยวว่ามูทิต่าความพ่อเ ย, ย็นดีเมื่อผู้อื่นได้ดีนี่ปกินนกการพ่ายหนอกความรู้หลอบตัวอันนี้เชิญพ่อนพวนหน้าพายใน่ายกับองพายของมันทันละ หวังผลทุกในวันตาสงสารเนียมันมีเนียมีหลายเด้มีหน่อ ย, อยเดียวหนึงเดีเนี่ค่ะเออเมื่อไหรมีมุขหันเองไล่ไปไหนได้ขันหวังผลทุกในวันตาสงสารเนี่ยลักขันอันลักอันนั้นมันฝังหัวใจอยู่แล้วหวงมือคือมา้ามันกระดิบทบทบทบท บ, ท บ, ท บ, ทบยุ่นอ่ะเฮ้ยจังไหนกูจังสิรินอนลหล่เฮ้ยจังไหนกูจังสิริกินหลาย เพศจงไหนกูจังสีได้สใส่ไ่ของโกโก้เพศางไหนจังสีมีหยาดโยมมาหนับถือหรือหากูไปทางไหนกห็ใหมีผู้หนับถือหรือหากูอย่าเพ่นดเดียวมันขันนึกไปังสันนขาวเวดดินพระกรรมฐานเนี่ยไปบรอดตัวกูพูดนึงอะรสีมีซื้อมีเสียงเงี้นี่อะ ม, มนานั่นไม่ซื้อมีเสียงเธอนอ พมาัยนานถึงว่าละแทนอนถ้าเนนึกไปงัันน่ะขาเวดดินพระกรรมาฐานน่ะนับชี้บรุพุ่เลยไหมนี่เฮ้ามาอยู่นี่เฮ้ามาได้วังว่ามันจะเป็นนชีแล้วมันค่อยเปล่นมาีซื้อด้เนี่ยเฮ้ามได้กลางว่าสีสางกุฏิสนานหลังทนี้หลังเนี่ยวัฒนาของกูยังไรกับสองหลังพันละเดอ้อว่าวัฒนขาขึ้นวางสมันค่อยเป็นมาเองที่ซื้อด้เนี่ น้ำขุนพระคุณพระทรรมประสงค์คุณคู่บ่าอาจารย์คุนมูคุณเพื่อนคุณนยอดขุณโยมซืออ่อเด้นี่เท้าบัได้มงุงว่าสิมันจะเป็นหนังสือได้เดียวเนี่ยหวังผลทุกนาวาตาสงสารเท้ายังอยู่ใดเยอยู่นี่ขันเท้าหวังเอาแพรเอาชนะคนเทาอยู่บัได้อยู่บัไดปันนี่พิธีประพรมเที่ยว ด, ดาประซอย ขันวังเอาแพเอาชนะวังว่าให้กูผู้นึงมีซื้อมีเสียงเป็นโด่งเป็นนักเดนเนยาะพี่เป็นคณาาจารย์าหนาโจรเนาะพี่ให้มีมีซื้อผู้หนึ่ง่าสั่นให้เพื่อนนี่าเลยเรื่อสั่นขันมุ้งน้องสั่นไปบ่รอดเท่าตายะจะดวนแล้วปันนี่ถ้ามาตายในที่นี่ตายจาก่้ำตากจากวีไนเพรามันตายใจขาดมีเพื่อนมุ้งนี้ดิน้องฮานจะั่างพลทุกข์ในวัดตาสงสารเป็เจ้าของไก่บ่มื่ว่เว้นขึน ยี่เน่โกงขังในไตโรกระแทนี่พวบแกควบเก็บควตายมาเป็นขอควบแกกับเป็นขอหน่อยหนึ่งซะทุกแกกับเป็นขอหน่อยนึ่งซะแขนข้ออยู่นี่ทุกเกิดกับเป็นขอหน่อยนึ่งซะแขนข้ออย่นี่ทุกเก็บกับเป็นขอหน่อยหนึ่งแขนข้ออยู่นี่ทุกตายจะเป็นขอหน่อยนึ่งซะแขนข้อานี่ทุกโลคทุกโกรธทุกหลงกับเป็นขอแขนข้อยย่นี่อื่ ถ้ามันแนวมันดังเป็นมันกิด่ได้ยินฟ้าอย่างเี้ยแน่ตาโลกรทาเลนี่ยินเสียงขอทุ ก, อกนี่นแหละขอผู้ น, นั้นเนี่ยขอผู้ น, น, นี่เนี่ยมันบกขาดจากเพีดดยร์ที่หันสายอันนี้สายขอภายนอกมันขาดเป็นเนีย่ยพวกตายแขนข้อพวกแกแขนข้อพวกเก็บแขนข้อพวกมีโยกพัดผ่าแขนข้อข่วมเสื่อมหลอดเสื่อมโยกยดแขนข้อ มันมีเว้นกลางคืนของงอของขอว้วยมันยังขาดเป็นขนค้นปล า, ายซ้ายมัน น, นี่นีสายอันนี้มันมาแต่สังสารวัตรไวจักสีได้พวกมวยขาดที่เท้าไดข้ข้อสัต์ทั้งหลายเต็มใกล้ไปโลกทาเดอยู่นี่พระอรหันต์จมพวกเดียวสิตัดขาดตาัดขอสมนียขาดข อ, ของสั่นเอารถขาดทั้งลูกขาดทั้งไวสูงไฟทีมพร้อม มันบุญครับตายง่ายมันหูหนายในโลกสงสารนะทคนบาป ก, ก็ตายง่ายเื่นกันแหละอันนั้นมันไปนันก่อนผ้าไปที่ๆืร อ, อ, อกเกก อ, กก อ, ออพอ เ, เกิดว่าที่เเป็นกับผ้ากับยอมมีจกคนหอกแม่พระองค์เจ้าผมเด็กเจ็ดวันเท่านั้นแม่เพิ่งกเขาสู้เพิ่กับสินร่วบาน ไฮซีบว่วมันลูกกามผ่าไม่จะก้นบเกิดมากนี่พ่อกับแม่ไปตายพร้พอมกันไฮสีบอว์เป็นพ่อห่างไม่ห่างจะก้นบอว์เป็นพ่อใหม่ไม่ใหม่จกค้นไม่หัวพราะก็เมียบอว์มตายพร้พอมกั น, าก น, ากนตายมือเดียวกันเหมือยังเป็นคนละวีหน้าที่อยู่ลูกเกิดลูกแก่ลูกเก็บลูกต้พีหน้าอันซึ่มมณีเห็นมันแตกฉานเนือง มันก็มีควอมลอาลาถอยในวัตฏสงสารเคืนกันบอกหาวแต่สศพี่เจนาสูงเพราะวันไหนได้เนียนเนี่ยพี่เจนาติดตอมันเห็นชัดเบื้องบนเถาะหาวัตเสศเอาพระไต่ปีดกมาทองให้มันบริสุทธิ์ก็ดรอยหรอกแต่ชื่อเอาพระไต่ปีดกมามทองให้มันบริสุทธิ์มันไ่บริสุทธิ์ได้เรียนนี่ย บางพรไก่ปีดองนั่งหูมีอยู่นี่มันเป็นทุกข์กไหนแตมันเบื่อมันนายมันเห็นโทษย่างเต็มที่ล่ะมันก็เป็นตัวศิลตัวสมาธิตัวปัญญาท่านล่ะเทพเด็ดเด็ดก็นี่เลยนะวะท่านให้พี่เจ้น่าเด็ดเด็ดก็นี่เ้ยนะบลวง่าจากเธอหรนว่าจะให้เทพเด็ดเด็ดให้เจ้าของกันพี่เจ้น่าเด็ดเด็ดก็นี่เลยนะกะนอบละว่างสัตวมันจังเมีน เทวะพระพุทธเจ้าเทศบเด็ชมีแต่ขัมเดชหมดนับเจนะโมตัวหนึ่งไปมันเดชหมดนะโมแปลว่านอบน้อมจนบุปผาเกิดแก่เก็บตายสิวายังไงสันบเดชบัวนะโมนี่นอบน้อมเนี่ยบุปาเกิดแก่เก็บตายนอบน้อมแท้แก่แท้เก็บแท้ตายสางแก่สางเก็บสางตายนะโมตัวนึงก็เป็นถ้ำอันเด็ชเดียวอยู่พระพุทธเจ้าพุทธทังสนามคัดสามีแม่ท่นถึงตายสนาคมเพื่อพ้นทุกข์พุ่น ถึงใจชนคมคมจนบมากบเกิดแก่เก็บตายพุนสิว่าบรเดบ่อพุทธ่านัง่งพระชามีนสิว่านี่านนานน่านานี่มดมือขันบนยินดี น, นี่านนานกัซบเก้าห์น่ะบุยินขัน บ, นนบนตัดคมเพื่อนสิว่าอรหันต์อรหันต์อรหันต์เนี่มดมือก็ตามใช่ไหมขัน่าน รถละทา้งควมเพื่อนในวาตาสงสารฉันผูเห็นโทษในควบเกิดแก่เก็บตายมันสีไปได้ยเนี่ยปุบปุบปุบปุบปุบปุนี่คือจังนกโปงนี่ก็เอาถอนบอกสั่นเอาหลอดว่าควบเห็นสัตว์ในควบแก่ควบเก็บควบตายควบเห็นสัตว์ในก่องถูกในว า, า, าร์ตาสงสารถิดมัน้ังจิตมมนทํา ม, มันมีห น, ใน้าแท้มันจังศิละอามันจังศิลาถอยในวาตาสงสารอันอนี้ นัดชูภพยนอกอยีว่าบินธมาเทนาธนะในเพศสัตว์ทั้งข้าวส่างข้าแปลงข้าวถ้ำมากอะเฮ้ยไปตามกาลเทศะมันซื้อเพราะฉะนั้นมันคัดของบ่หวังว่าจิบม่นเป็นเพศเฝ้าอยู่ในใจโลกธาตอันนี้เพราะได้ปฏิบัติง่ายๆซื้อได้มีความหมายเท่านั้นเพราะสะดวก็ซื้อได้ นงี้โยมมากเอากล่นมานํำเอาทองมานํำเอาขีมานํำขีใช้ื้อผ้าเขาไาขี้วาอะไรเป็นแร่าตหนันมันก็บภายในเฮฟสตตี้ฮะนี่ชิวายังไรแข็ง น, นอนพูเดียว ร, ร่นก็ว่าไรนันมียังแอบกับโจนกัะชิมาปนา้นัะนี่มากินมาท่านทางไก่ฮะนี่ชิเคียวขึ้นมาบ้านมันกับว่าพ อ, อดชิฮอตชิวายจะน่าเกิะดะเด็น้อนสินตัว มุ้ยว่นนอนมันทีได้เอามันทีเป็นเอาบ่ทีให้หวันนอดกุตีห่วงพระผีบ่คืดเบิ้องลวบ่ก็มาทานเทามันบ่พอดีแัวนีคนมาหาเพราะว่าหยุงคันบ่มีคนมาหาเพราะว่ า, า, า, วาไรยา่านไรมิดหาผู้ที่ไปตดใส่ก็ะบะมีเพราะว่ามันบ่พอดีก็มาทานเท่านะี่ยเออ เหนเขาใส่บาตแห่หลายๆเนี่ยผัอ้พวกข้าเนยก็มักกูญมักหวไปไนดอกมกนึงก็พ่อดอกเพราะพราะว่าขั for. นยามนี่ยขันขันยามเขาหายหน่อยมันมนมีปัญญาเพราะเพราะว่าเออม่มอมมกอมห่อใส่บาตกับวัปปนเพราะว่ามันบ่พอรีจะเชื่อกับปานเทานี้ไอพี่ยีน่าบ้างค่ะมันคับกันหมดนี่จบสติแต่ผู้อื่นเอนเจ้าของเรางวัตถีติแต่ผู้อื่นมาใส่โต เห็นเห็นใหญ่ยีปกมาแน่เลยไอที่ผูกขาว่าเคยเสือกนะเก็บท่อมเสีดักของผู้ขาวเพราะเะว่อืมเดี๋ยันนี้ขันนี้แขิงข้าวมันไม่หนึ่งจะบอกสมอได้เลยโอ๊ยอ้ที่้ากันจินผู้ข่าวเขาเห็นอืดเสยอากกนานนี่ยเป็นของหนอกของผู้ขาแล้วพเพราะว่วาว พวกของจกราเทศะพวกจักสังขารมันกึ่งคนลงลลงมันบกมันนที่ปดทุกข์ท้ยักษ์ักดิอันว่าไปบินถ้าบาดไกลแดงสิเ้ยอันนี้พลานมั้ยวันดี้าหลอคกูเพราะว่าใครมุกใครห่อได้เพื่อประมาทเอ้ยมันทนะเราสิว่าใครมกใครห่ อ, อสิเหรอเขาใช้มอเขียวห ว, ว, ว, ว่างอนท่วนทวนพเพราะว่า เออเดี๋ยวกัตากประท า, านออกอัอนนาฬิกาอันก็ดีแน้เอถฐานะของเราบ่สมใส่ยุคเด้เอเรื่องรับสองพันั้มพันพอหมเพราะเพราะว่าเออน <c oughs> ั่นเป็นแท้อะกิเลตโต้พอวายเลยผลบวกพาคือกันนะขันยาเขามาทอดกับทิน ขั้นผามันบางก็ต้องตัดตามบางบอกขั้นว่าผาที่ตัดกระถินกับบุมีมีแต่พื้นรองบางบอกั้นว่ามันมีบางก็ต้องตัดตาบางขั้นเนี่ยจะไปว่าให้เขาเสียอกตกใจเขี่ยทั้งไก่มากไม่เห็นผืนหนึ่งบาง้านข้างโองอกหมาปีนะ่ะยยังกี่ท่อสูงมั้เนี <laughs> ่ <laughs> เขาเอาผามาซีใหม่มันมีแต่ผาบางเขาเขาเนีตัดนี่ รับเยจะไปเสด็จขียขเยนี่ยอาจารย์เมื่อมีคนแกนมหามุนมีพอแถทสมเขียนแล้วว่ า, า, วาที่ายทั้งทีก็มาเห็ดผ่านาน้ฝนก็พาหม้ เ, ามาเมปีย่ยงเอาพาด้าดิบเปียงเขาเหี่ขาไอ้ฝ ว, ว, ว่าพระกระมุนตาย พระูญัยภูติทำาป็นวอกขงสัตวอทุองเขียนบไม่ลงที่ขันนี่ยคู่ตีของท่านเขาสา่าสานาสาาหนาใท่ตาก่อนพอท่องเขียนเรลงแล้วขั้นเขาถามนั่น เ้าก็บอกเข้าได้ขันเข้าว่าถามเนี่ขาอ่อนได้มากเ้าก็ต้องเหตุอันไหนขอาถามหลวงปู่มหาหลวงปู่มหานีปป่นี่อุบายเด้พ่ะช่างข้านี่เอาเสนิห์ใดพอหน่อยเพื่อจูมถามถึงเพื่อนนิยมกันยังไงเพืญญ่อนนิยมมันก็ น, นิยมสุดแน่เนเพื่มนคที่สุด มันกะเละแต่มันสียด้มากนะครับกปูมาเขาได้ซ่อนเขาไปอีกบอขาน่อยนอันนั้นบอเมีนอยู่ของบอเมีนก่อนน่อยนะบอเมีนทั้งพวกอร่อยของแม่นกกู้บ้าจัตามควกนิ้ยอมเพลนแม่มันพอดีพอง่ามเน่ยเพลนกับปว่าขมิทเทดินเพลนกับปว่านั่นเพลนกับปถ้าเนี่ยผ่านช่างฆ่ามันกับบางเงี้ยจะนอนอย่างที่พาชีวอนเนี่ยนะ ข่ use, look, look, look, look so, hmm, ้นแม้ม hmm. well, ัน okay. ต okay. ัดผ่าสีวันได้มันก็ตัดผ่าทังค่าได้หรือห่างว่าีวันมันน้าก็ผ่าทังค่าได้คนใส่ยูผ่าเชิบงเนี่ยคนเอาผ่าเนี่อะไรคนนึถ้าผ่าเิงบงมันนุ่งเปียวเนาะมันบบนี้าเทียมันกัดนุ่งเปียวมาแต่ห้องผ่าซ้อนมันก็ต้องผ่านน้าเนี้ยประกันเนี้ยการนั้นตานี้ท่านกับคนบ่นถามท่านเพื่อก็บอกด้วยซ้ำน ถ้าในปีนึ่งเพิ่นเราของสี่นักปาท่านักปดเบอกกันจต่มัาเป็นตะฟังพราอ่งนุษนี่นักปาดเนีพา อ, องนุษยบนหอนี่นักปา่าที่ตีมาใส่ห่าอยู่พระพหลัใส่ห่าอยู่พออ่งนุษลูกศิษย์ท่านลาวส็นหลวง ป, ปู่มหาเนี่ยพระพหใส่ห่าอยู่ลูกศิษย์ท้าลายพระอ่งนุษยนี่หลวงท่าเลาวและขันพระไปนั่ง น้องกันเป็นแถวเลยหันนาไปใสแต่ทลานาสันหัน้วยเข่าลบนะสันเผินว่าเอหนุนนะสันเขาบิ่บัดเดียวเขาหูจักนะสันคนว่าในวัดในวาเนี่ยมันเขาลบคนนัดมันหันนาไปใสคนนั้นดอกะันมันเบิ่งด้วยสายตาสังเวชดอกนะสันมันเบิ่งด้วยตาหมนหมุนนะสันเินว่าา่อยเบิ่งด้วยตามุนหมุนมันบลลงเลย่าสันมันเบิ่งด้วยตาสังเวช่มันลงได้คนเนี่ยนะสันเผินว่า ยอเข้า อ, อ, อยู่เดือยอยู่เพาในว่าพ่ออนุทั้ปีนี้นี่ยสำนับพาสบงพาเอาน้าฝนจะสหเนื้อมาสั่นมันหลไหลยวดนี่มาสั่นกัวพ่นชีวะจังสั่นเขาท่านผ่าข้าาหลาดิเขาในว่าพ่อเขาในว่าพ่อท่านท า, นทานเป็นคนถูกยูชีวะจังสัน่นตี่าสั่นเพื่อนอในรัฐเขาวันนี้ท่านนี้ ปีนี้จะต้หากระซ้างกระด้างบาดห้าววัดสันผาอันน้ำฝนมีอยรักวัดสันพ่อแล้ววัดสันมาบังคับชื่ออังคืชื่อดอกวัดสันนักป่าต้อนักปาดออกกันจะไม่เป็นตะฟังกระหังแม่นเนี่ยคนหน่อยวัดสันเท่านี้คู่บาจานรอของสันแต่หากว่าพอโอกาสได้ร้ายวัดสันคำนั้นพิดกับให้คนบกพิดก็เลยแจ่ววัดสันพิษกับให้ขนห่อยทรายคนหน่อย เขาขรอจะคว่วได้เขาั่ทำใหพิดกัหไฮไฮโรเดอร์ว่าสัง่งพาเขาอยากท่านประจำปีของเขาอันเดียร์ต้องหอน่อยเสือสีมีสีวิตอยู่ปีหนึ่งปีหนึ่ ง, งกับกวาสีเลมาถึงหลายดูฝนกับมนของงานพาเทียเขายากท่านประจำปีขเขาเนี่เดียทังหลายอหอน่อเฟกร์เลนนิงเออสั่งเฮสซาาสั่กบาา็บว่าเพกาเลนิง จะนะพออกข้อมายไปพ่อพุดพ่อพ่อออกนุกก็เลยเห็ ด, อออหดหมากตามคนมะสงคงของเรานัก น, นักปราลอกกันเป็น Fun, ตะฟังทะเลแปลว่ารับโดยรุษสนี่ยผ้าเออไม่ใช่เกะตรใชเพิ่กับไปบัวเป็นรุษสนี่ยผาแต่ลาทะเลเราปูมหาของของง่ายๆเด้ เขาบอกเขาอะไรเธออายุยานี่ดีจะได้หายคิดว่านี่พ่อแต่ใส่เยอะดูภาษาบงก็มีพอ่อแต่ใส่เยอะดูบอกขางงาเขาโยมเมือแกันนี่มันผู้ใกล้ชิดสุมอื่นมาบอกแล้วเอามาหายใจแล้วเอามาทำไม่สิเอาอยู่ยั้ไงทำอะไรสิท่าไหนมันอื่นผลเราพื้นสุ่มเขาคำแปกแบบน้นอยู่นี่ดอกบอก่ปีเขาเฮ็ดยปีอย เขาว่ามันเสียปีของเขาเขาบอเฮ็ดเขาแบบยากอายวัดบ้านนะฮะแต่วัดบ้านก็ยังเฮ็ดแน่ว่ะ บอกก็บอกนั่งพายกิ๊บอยวาไปคุดไปเกาเขาพูดอดไรที่เขาไม่ชอบเราจะไปบอกเขาถ้ า, ากว่าเรามองดูว่าถ้ า, าว่าเรามาทําบุญเมื่อไปบอกเขาเขาจุดต่อรอต่อขานกับเราว่าไม่เขาลบเขาถ้าเราอ่านออกอย่างนั้นชัดเราจึงบอกถ้าเราสางสัยอยู่อย่าไปบอกเขา เขาบอกเราเลยถ้ า, าว่าถ้าเราทําบุญผ่านไปแล้วเขามาพบเราเขาจะติเตียนเราว่าเราไม่เคารพนับถือเขาเราจึงบอกเขาหรือเขาพูดแก้ลําคาเฉยๆเออไปทําบุญก็ไม่บอกเราถ้าเขาพูดนักบอลก็ให้รู้จักเขาบอกอยู่เพื่อแต่ถ้าเขาพูดพขเป็นพิธีก็ให้เรารู้จัก คนชนิดไหนมันมาคบเราพอเป็นเจตีคนชนิดไหนมันมาพบเราที่จะทําตามเราเราก็ให้อ่านให้มันออกเขาบอกขักดกูปีนเขาบอกคักอยูหน้าหนีเขาสร้างความเห่าอยู่หรอกในเวลาแต่อนาคตรบูรับรองแต่มันจะเป็นยังไดแ้วมันจะขับรไปอย่างไงไปจะในขณะนีสร้างความเห่าอยู่ ที่นี่จะเอาพามาให้ตัดก่อนเขาพันษาเข้าประตัดก่อนก่อนกริ่นข้าวในนอนพี่แนะนได้เดือดหนึ่งพระได้บอกว่าทำเนียมของหลวงปู่มันไม่มีทำเนียมของหลวงปู่มหาก็ไม่มีเราจะมาตัดผ้าก่อนตัดผากระถิ่ก่อนออกพันษา ถ้าว่าพระคาถาแทนจะตักให้กันกลางพรรษาในผ้าที่มีอยู่แล้วมันไม่เป็นปัญหาเชินที่จะเตรียมพระไตรปิฎาาลแเรามากราดก่อนเป็นผ้าบริวารก็จริงแต่ที่ประคาของหลวงปู่มั่นก็ไม่ได้ทำหลวงปู่มหาก็ไม่ได้ทำนันจป็เรื่องคุกคุยกับพระที่ชืงสงมากยกเลิกการไปเชียมัน ก, ก็ฟังข่วม เขาเคยเห็ด น, น้ำล่ลงปูฟางเบ็นี่ก็เราออกเอาแบบ น, าอออบบ น, นมากมากวันนี้หดทิล่งปูฟางในพวกนี้พวกหน้ามือนี่ยุดทิ้งล่งปูฝางอ๋อฮะนี่ใครสงสัยอัไรเหรอการแห่เรื่องข้าววานาอนนะไนี้สำเนียงเราหรออืมนราต้ กินกะามาลุ่มงยเงื่อนเดีวตะกนเขาทิ่ที่มึอ น, นี่น้องพ่อวานาหรือพ่อวา น, า, า, น, า, นาพรเถอะเราอา่้มนอกอันนี้คนที่มีกิเลสยกภูเขานับถือทอดย่างชนิดนั่นหละ บัตาเขาสั้างเขา็ฏิสั้างเขาห่อชนิดคือกันอันคนมันมีกิเลสเน่ะอันมันคนมันถึงพระสวสดาบันแล้วนี่ยมันถึงสินทั้งท่ามแล้วน่ะมันตีมันก็มาตีห่าหลายเด้มีวันเงินสีเอาลมันส้มมันโบส้มห่อจุดเตือนเขตเลยอันคนที่บ่ตรทงสินทั้งท่ามนะหามันย่องมันก็ย่อมเป็นสุดขีดจนหามันตีมันก็เหยียบลงขี่แท้ปลาพร้อมคุณอันมือนีแห่มืเห่ออันออกเด้เนี่ย เดีวหลงข้าร่วมพ้น ง, ง่ายๆไม่ได้หลงในเห่างานนุ่งงานร้านห ล, ล, ลงลกันนอกเห่ามันนอนเสียขาหลายถืนผู้ที่มันมีศีลไม่ธรรมงานนุ่มตีเห่ามันก็นยังมีบัตเอาอยู่มันย่องเห่ามันก็ บ, บกุกย่องจนเกินไป มันนังมีมันออาของมันอยู่อันฟูกันมาถงสิ่งน่ข้ามนคือว่าตีมันกับตีกินเหยียบลงมนี่จนมุยเปนสิงีเอาแต่ว่าย่องย่องจนท่วมฟ้าผลทาให้ย่องจนท่วมฝ้านี่นะมันก็ะเยียบลงท่าซ้ำฝ้าคือการ่หละแต่ห้ามันเดียบเขาจะไปล้ม้าวล้มคนยังไงได้ ถือว่าเล่าผู้เดียวผู้ดเดียวผู้ดเดียวสเสมอผุ่นพอดีมันดีกับทอเล่านี่แหละซัวกับท้อเล่านี่และ ว, ว, ว่ า, า, าวสั่นยา่าจิตไปไหวใจคนง่ายในวัตฏสงศารอันนี้หรือยินเจนิ่านคนบอกเหมือนย่าบวชยู่เห็นผู้สาวเขาเอาใครมาใส่ให้สองน่วยเพงานเขามากโตเสิยไปเลยทั้งบาทซาเขาบอเบิร์กจงเวท เขาเอาม้าหายจากเดบุญตั้งหากอันนั้นเขาบ่ได้เอาจอบก็สิหลงกับบ่ได้ผลมันคิอบ่ดีแต่ใส่หมูห่อซางใต้น้ำหมูห่ากินห่าทาน บทตกไม่เท่าที่ไปตกให้ผีสุ่งไหนไมว่าใครอยู่บนเอกสารทางน้ำมาสั่นตะเกียบตะกายทางจะนานจะน่กินท่านกับแฟนาเจ้าพสอสมนํากันครขาดใครหูจักเ จ, าจากเยจักแบนกันผลบทตกมาหาหมือห่อที่ไปตกให้ผีผมบอกทั้งย่าจะ มองส่นอร่อยว่ <t <t <t <t enfin ้ทพเวั้นดอนเนี่ยอาศัยสร้างพราเวทสั้นดอน่เรื่อกลิกระลาเรื่อมาขอเอาสร้างพระเวทชั้นดอนไปทำไสร้างกนันไปขนมาตกก็เลยตก แร้งเจ็ดปีเจ็ดเดือนน่ะเมื่อเขาเรื่งกะลาเจ้าไนมาขอสางเพราไเดชั้นชั้นดอนไปน่ะเพรเลยสร้างพรอะเดยช้นดอนไปแ้วผลก็เลยตกผลตกตามแล้ดูกาลมันเรื่องในี่ยผลสิ้นผลท่านของพุทธบริษัทผ่าพุทธบริษัทห่างเหินจับสินจับท่างพระองค์เจ้าหรือฝ่าผนส่วนลท่าับบดี ข้อสางอะไรวมันเห็นมัดข้อสางขั้วตัวมันก็เห็นนั่นเห็นผลหมสุดท cái, ในปัจจุบันนาสานนี่แหละข้อสางความดีมันก็เห็นเห็นสุดทในปัจจุบันนาคานี่แหละมันรู้่มันศาสนาศาสตร์ได้ที่สังหรกข้าหวังเพื่อคนทุกข์ในวัดาชงชันยึดกังเข้ามันกิคือเกาอยู่มันก็เห็นผลในปัจจุบันนิสานนี่แหละมันบเคลนภาษสิว่าอย่างไรัน เห็นผลของพวมันบกเกลน่อนมันบม่เกลเจตนาเราท่านอื่นผลของมันหรือว่าอย่งไรสั้นมันผลมันเมดสั้นเป็นนว่ขึ้นเป่าเนี่บอกมันจ้วนเจีงเจ้ยงนั่นือว่ามันผลมันเั่นหมดเมื่อทำของเพื่นนี่สั่นหมดเกลเจตนาเขาตา้ไว้ตรงนี้เขาก็เห็นผลไว้อยางสั่นเลยหละเกเจตนาเขาประเบัตรเชื่อผดทูกแมวจารุ่งสั่ มันก็บเห็ น, ม, cricket, ม, น, man, นมันเคลื่อนไปส่ยาเท่ยงเนมันบ่สงสัยนี่ยคือ่ามันขนมันหมดั่นหม้อขอันอร่อยว่าก็คงานนกขิจจกเี้ไขันมันิงบ้านได้บ่ละขันให้ห้องกับ่พอมอาอะไรกับซัจะหาบ่เอาห้องเข้าไปก็ได วะนามีอยู่นี่ไม่อกมนี่่ไอ้ไก่ลอโทษทางมอักโค่มาชุบมาชุบมาชุกมาชุบบนทุกเรื่ออาจารย์ทอมสาร